ทุกทุกท่านที่มาปฏิบัติในเพศของพระกรุณาน้อมนำพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตยอยู่ที่จิตใจได้ให้ทุกริยาบุตรเพื่อเป็นสกขิปยายภายในจิตใจซึ่งถูกข้อมล้อม ด, ด้วยกิเลสทั้งหลายได้เป็นอย่างดี เพราะพุทธภะธรรมมัพละสังฆภะมีสำคัญมากเป็นกำลังคือกำลังของพระพุทธเจ้ากำลังของพระธรรมกาลังของพระสงฆ์ย่อมเยี่ยมนาฏในทางที่ดีช่วยพยุงจิตใจของเราให้หนักแน่นในความภาคเพียรและประโยชนพยายามทุกด้านเช่นเดียวกับอิเลก มีกำลังหนุนจิตใจให้แสดงออกในแง่ต่างๆไม่มีประมาณฉะนั้นแหละด้วยเหตุนี้เมื่อจิตมีความห่างเหินต่อธรรมเรียอจึงกรอกใกล้คิดติดพันและหนุนจิตให้ไปทางของตัวอย่างไม่ลดละและไม่มีคำว่าย่อห ย, ย่อนอ่อนกำลัง หนุนไปมากเท่าไรยิ่งมีกำลังมากและคำว่ากิเลสอ่อนกำลังนั้นจะไม่มีนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันฤทธธรรมชาติอันนี้อยู่ที่จิตคุกเข้าอยู่กับจิตจนประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ทราบได้เลยถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องสอดสอ่อง มองดูแล้วจะถือว่าจิตหรือถือว่าธรรมชาตินี้เป็นจิตจิตเป็นธรรมชาตินี้กระจายออกมาทางธาตุทางขันว่าเป็นตัวของตัวล้วนๆไม่มีสงสัยอันใดเลยถึงขนาดนั้นแหละการกระิกพี๊บแพงออกไปในแง่ใดจึงแสดงว่าเป็นตัวของตัวกระิกที่แพง ความได้ความเสียกลัวได้กลัวเส้ยจึงเป็นขึ้นกับธรรมชาติอันนี้ทั้งนั้นจึงช้ำนายากหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องกําจัดแล้วจะไม่มีวันไม่มีการไม่มีสถานที่เป็นอาการลิกะเหมือนกันกับธรรม คือมีตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาทำงานของตัวอยู่ตลอดเวลาเน้นเ่พาหลักสนิทเท่านั้นจะพักตัวมีเป็นหลักธรรมชาติแต่เราให้ทางศั์ศาสนาให้ชื่อว่าคิเลสเครื่องเศร้าหมอ ง, ห, องหรือมืดดำแปลได้เท่านั้นแต่ยังไงก็ตามให้เป็นทราบว่านี่คือตัวสำคัญที่พาสัตว์ให หมุนเยียนเกิดแก่เก็บตายในพบน้อยพบใหญ่คือธรรมชาตินี้เท่านั้นเป็นชื่ออันสาคัญไม่มีสิ่งใดในสามแดนโลกฐานนี้จะมีหน้าที่หรือมีอํานาจมาหนุนจิตดวงนี้ให้เกิดในพบน้อยพบใหญ่ได้เลยมีธรรมชาตินี้เท่านั้นและทางานได้ตลอดเวลา ไม่เลือกสถานที่การเวลาอิเดียบททุกขณะของมันล้วนแล้วแต่เป็นการทำงานอยู่ภายในจิตเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเราพูดเฉพาะนักปฏิบัติของเรามีใชรปฏิบัติให้ได้อย่างใจหวังให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมความมุ่งหมายนั้น จิ่งเป็นสิ่งที่ลำบากที่จะเป็นไปได้นอกจากจะดีแง่ความคิดเกิดขึ้นมาอีกให้เกิดความท้อถอยอ่อนแรงเพราะเห็นว่าไม่สมใจเท่านั้นนี่ก็เป็นสิ่งแทรกซ้อนของธรรมชาติอันนี้แบ่งเอาผลประโยชน์ไปอีกด้วยเราก็ไม่รู้นี่แหละที่เป็นภัยใหญ่ที่สุด มันเป็นเหตนให้ศาสตรดาพระศาสดาของเราทรงทนอยู่ไม่ได้เมื่อไดัดจะรู้แล้วต้องพระองค์ท้าพัดพูดภาษาของเรา เ, าเรียวตะเกียกตะกายเต็มพระสติกำลังความสามารถเพื่อรืดถอนสัตว์ที่จมอยู่ในปลั๊กอันนี้ให้หลุดพ้นไปได้เป็นวักเป็นตอนตามขัน้นภูมิแห่งวาสนาของสัตว์แต่ละหลายหลายซึ่มเล็กสร้างสมอบรมามามากน้อยต่างกัน ทั้งนี้เพราะแม้จะสัตว์ทั้งหลายจะเกิดในพบน้อยวบใหญ่มามากน้อยนิสัยวาสนานี่ย่อมมีติดแนบอยู่กับติดไม่มีมากก็มีน้อยส่วนไม่มีเลยนั่นก็อาจเป็นได้เพราะสิ่งนี้ก็เป็นกฎของอ น, นิจจังแล้วค่อยมามีภายหลังก็เป็นไปได้ ไม่มีผู้ใดที่จะเห็นภัยเต็มพระทัยยิ่งกว่าพระศาสดาองค์เอกเห็นภัยในหลักในธรรมชาตินี้เพราะพระองค์แท้ๆเป็นผู้ต่อสู้ปราบปรามมาตลอดในพภขชาติใดๆที่ยังไม่เข้าใจสิ่งนี้ว่าเป็นภัยได้ชัดเจนก็าตาม แต่พระชาติที่สุดในขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อจะรื้อถอนธรรมชาตินี้ออกจากพระทไทยนั่นแหลเป็นเวลาที่จะทรงทราบเป็นลาดับลาดาจนกระทั่งถึงรื้อถอนออกได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือในพระทไทยเลยนั่นจึงได้ทรงทราบประจับทั้งมหันตุทุกมหันตโทษมหาภัยของธรรมชาตินี้ และมหาคุณอันเอกที่ทรงได้พบเห็นหลังจากการถอดถอนเชี่ยนน้ำหรือจิ่งปกคลุมหุ้มห่ออันเป็นตัวภัยสาคัญนี้ออกจากพระไทยโดยสิ้นเชิงแล้วพระไทยนั้นกลายเป็นพระไทยที่เต็มประวยอัตด้วยธรรมเป็นของอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารตั้งแต่ขณะนั่นแหล ถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าเป็นขณะที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตอัตภาพร่างกายจะไม่มีขณะใดตื่นเต้นอัศจรรย์ยิ่งกว่าขณะทั้งสองประเภทนี้พรากจากกันคือวัฏจิตได้แก่อวิชชาตัวหุ้มห่ออย่างมืดมิดปิดถวาวรแต่กระจายออก ระหว่างกิจกับอวิชาได้แยกกันตรงนี้ด้วยอำนาจแห่งภาพป ร, รีชาสามารถหรือว่าพระานพระปัญญาของพระองค์สังหารทำลายในจิ่งนี้แตกกระจายลงไปแล้วในขณะนั้นแหละเป็นขณะที่ทรงตื่นเต้นที่สุดไม่มีขณะใดตั้งแต่วันประสูตร มาจนกระทั่งระยะนั้นเป็นขณะที่ทรงตื่นเต้นที่สุดหาประมาณไม่ได้หากเป็นเองระหว่างวิมุตต์กับสมมุติทำหน้าที่ต่อกันเวลานั้นขันก็เป็นขันก็ทำหน้าที่ความเจอวิมุตติบุตรพ้นนั่นแหละทำให้ปัสติปัญญาหรือทาให้ขันกระเพื่อมอย่างใหญ่โต ที่แยกออกมาเป็นคำพูดของภาษาวกทั่วไปท่านว่าธรรมสังเวชแต่ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่เป็นขณะที่พาดผลโลดเต้นเป็นขณะที่สะดุดพระไทยอย่างเต็มที่ วันหนึ่งว่าโลกธาตุจะทอนสถานหวั่นไว้เป็นหมดหลังจากนั้นแล้วก็ทรงเห็นคุณค่ามากสุจังของพระไทยที่เต็มไปด้วยอด้วยธรรมหรือธรรมกับใจนั้นเป็นอันเดียวกันกลายเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐเลิ่อเลอขึ้นมาอย่างไม่คาดหมนฝันได้เห็นแช่แล้วได้รู้ใช่แล้ ว, ไ ด, ลวได้ทรงเป็นเจ้าของเช้แล้ว แล้วทำไมจะอดการพิจารณาถึงเรื่องสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเคยผูกจาถูกจำจองรับเรื่องถึงดรามาจนกระทั่งหาที่ออกไม่ได้แล้วย่อมจะคิดเต็มพระทยัยพร้อมจำอุบายวิธีที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกอากมาพร้อมๆกันด้วยพระเมตตาเป็นสำคัญ น, นี่แหละที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนสัตว์โลก อย่างเต็มก็ถ่ยนับตั้งแต่วันจัดรูมาจนกระทั่งวันปริเดีงนี้ผ่านในวาระสุดท้ายยังประธานประชิมโอวาทแจกภิกษุสงฆ์ซึ่งกำลังเฝ <c oughs> <c oughs> ้าพระองค์อยู่เวลานั้นอย่างถึงใจเช่นเดียวกันว่าลูกกอนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายสังขารธรรมเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นม่ดับไปดิเจริญขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นตามหลักตามหลักธรรมชาติของมันจงยังกุศลนี่คือความไม่ประมาทให้ถึงให้ถึงพร้อมเถิดนคะำว่าสังขารธรรมในขณะนั้นพระองค์ทรงหมายถึงสังขารธรรมมีที่เป็นสังขารขันเกิดขึ้นกับจิต สำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อรื้อพรื้อชาติจะเป็นผู้หนักแน่นแต่เป็นผู้ทำงานในเรื่องขันห่านี้เป็นอย่างมากเขามีแต่พระล้วนๆแลวแยกออกไปถึงสังขารธรรมทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์โดยตัวถึงแก่บรรดาพระทั้งหลายเขแยกไปถึงสังขารธรรมรือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายในโลกนี้หาความกีรังถาวรไม่ได้ จนกรทังเข้าสู่สังขารขันสัญญาขันเป็นสภาพเช่นเดียวกันมีเป็นสิ่งที่จะแน่ใจได้เต็มหัวใจก็คือจิตนี้ได้สลัดตัวออกเสียจากสังขารธรรมหรือสภาวะธรรมเหล่านี้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นจึงเป็นจิตที่ประเสริฐเลิ่เลอเรอไม่มีอะไรเสมอเหมือน นี่ก็คือพระเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ทรง ส, รสอนสัตว์โลกมา ข, ขนาดนี้แหละความเป็นภายของธรรมชาติมีที่มีต่อจิตใจของสัตว์โลกเราฟังที่ว่าการมาพบรูปประพบอารูปประพบแต่ละพบละพบนั้นมีสัตว์โลกบรรตุอยู่จำนวนมากเท่าไหร่ แต่รับพบรับพบนั้นรวมกันเข้าแล้วมีสัตว์โลกจำนวนเท่าไหร่นับหมดเลยทั้งประเภทหยา ก, กลางละเอียดละเอียดสุดลวนแล้วแต่อยู่ในเงื้อมมือที่อวิชชาตัวนี้กำรรไม่อย่างเหนียวแน่นไม่ ไม่มีคำว่าแบออกมาให้สัตโลกได้เห็นฝ่ามือนั้นบังเลยกรไม้อย่างมิดปิดไว้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมกูกทั้งลิน้นทั้งกายทั้งใจไม่ให้รู้ให้เห็นว่าสิ่งที่ก ร, รมเราอยุดบีบเราอยู่เวลานี้เป็นมหาภายัยเป็นมหันตตุกมหันตโทพระองค์ทรงทราบหมดเพราะพระองค์เคยเป็นมาอย่างนี้แล้ว ได้เปิดเผยพระองค์ออกมาอย่างเต็มที่เต็มฐานถึงความมือสุดยิมุดหลุดพ้นประจักษพระไทยจึงต้องเห็นโทษสิ่งเหล่านี้อย่างถึงพระไทยเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเมตตาจะมีย่อหย่อนอ่อนกำลังได้อย่างไรวิธีการใดที่จะทรงตะเกียกตะกายหรือขนสัตว์โลกให้ได้ทันท่วงทีและวาละต่อไปพระองค์จะทรงพยายามเต็มที่เต็มฐาน ไม่ทรงลุนละเลยนี่แหละพระเมตตานี่แหละเป็นเครื่องหนุนเพราะเห็นความเห็นโทษสิ่งเหล่านี้อย่างประจักรพรทดิกินทาให้เกิดความเมตตาสงสาราสัตว์เช่นเดียวกับพระองค์ว่าได้รับความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับพระองค์ที่ทรงได้รับมาแล้ว <c oughs> นี่เราทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติ คำว่าธรรมชาตินี้เป็นภัยยาเข้าใจว่าเป็นภัยแต่ข้างพุทธกาลยาเข้าใจว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุเว้นเราเพียงรายเดียวรายเดียวนี้เท่านั้นเราผู้หนึ่งนับเข้าในจำนวนสัตว์โลกย่อมเป็นเช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าคาถาอาคมของธรรมชาตินี้มันแนบสนิท ติดกับใจอ่อนนิ่มไปหมดกรอมให้เคริมให้หลับได้ตลอดเวลาหาทางพื้นตัวพอมองเห็นโทษมันไม่ได้เท่านั้นเราจึงยอมรับเราจึงยอมทําตามมันเช่นเดียวกับสัตว์ทําตามเจ้าของเช่นนั้นหากว่าได้รู้ได้เห็นว่ามันเป็นภัยแล้วใครจะอยู่ได้อย่างไรใจมนุษย์ด้วยซ้ํายิ่งเป็นใจที่ กระหางชันชัยเป็นใจที่ฉลาดไม่มีใจใดที่จะยิ่งกว่าใจมนุษย์ในการตะเกียบตะกายสุดเหวี่ยงที่จะให้หลุดพ้นจากสิ่งมืดมิดปิตวาลทั้งหลายเหล่านี้โดยไม่คิดถึงเป็นถึงตายอะไรเลยทางนี้เราจะเห็นได้เมื่อสติปัญญาได้มองเห็นโทษเห็นภัย ของสิ่งเหล่านี้เป็นลําดับลําดาและเห็นคุณของธรรมเพียงข้างกันไปโดยลําดับแล้วนั่นแหละที่ว่าผู้มีความเพียรกล้าหากกล้าเองหากอาจหารเองทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันมาหมดศรัทธา ก, ก็ได้อย่างทราบชัดเจนแล้วว่าแดนแห่งความพ้นทุกข์เท่านั้นที่จะเป็นจิตที่พ้นภัยเมื่อยังจะตกค้างอยู่ในภพใดชาติใด พบนั่นชาตินั้นคือพบแห่งภยัยพบแห่งกองกองทุกมากน้อยตามขั้นตอนหรือตามขั้นภูมิเนี่ยพบนั้นๆไม่ใช่เป็นพบเป็นภูมิที่จะไว้ อ, อกไห้ใจได้เลยนอกจากพ้นจากพบภูมิทั้งหลายเสียสายเดียวเท่านั้นเมื่อศรัทธาความอย่างเชื่อลงถึงขนาดนั้นแล้ววิริยะความพิจพารณาเพียนตนเองหากหมุนไปเอง สติกับปัญญากรมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นพี่เลี้ยงของจิตเป็นผู้รักษาจิตเป็นผู้ปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตไปด้วยกันที่ว่าพระห้านั้นมาพร้อมๆกันหมดสัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาไปพร้อมๆกันเลยนี่เราจะเห็นได้เมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ขั้นหนึ่งว่าพิเลพิเ ล, เลหรือธรรมชาติอันนี้ เป็นภัยเพียงไรสติปัญญาสามารถที่จะบุกเบิกตัวภัยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนจนเป็นความผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดับนี้ก็เป็นของที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันรู้ได้ด้วยกันทั้งสองอย่างเนี่ยทำให้จิตใจได้มีกำลังหนุนขึ้น ธรรมชาตินี้กล่อมเอาอย่างสนิทให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้โลกไม่ได้เห็นโทษอันนี้เลยแล้วแตกแขนงออกไปก็เป็นความโลภโลภจนวันตายก็ไม่มีวันอิ่มพอโลกที่มีความเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะความโลภมากความโลภไม่มีเมืองพอเรื่องความสมบัติเงินทองเข้าของอาหารปัจจัยที่พอเป็นพอไปนั้น ไม่ค่อยขาดแคลนอะไรนักพอที่จะยั่งมนุษย์ทั้งหลายให้มีความสุขพอประมาณได้แต่ความโลภที่สำคัญว่าเป็นตัวขุนนี่สิมันทําลายความสุขของสัตว์โลกไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหนมันสามารถเข้าไปทําลายได้ทั้งนั้นโลกจึงหาความสุขไม่ได้เพราะอำนาจแห่งความโลภบีบบังคับแต่ก็หาได้ทราบไหมว่าความโลภนั่นคือตัวภัย นอกจากเห็นว่าเป็นคุณด้วยอำนาจแห่งความกล่อมอย่างสนิทของมันเท่านั้นความโกรธก็เหมือนกันคนอื่นโกรธเราดูได้เมื่อไหร่แต่เจ้าของโกรธพอใจโกรธในขณะที่จะของโกรธนั้นประหนึ่งว่าไม่มีใครที่จะเลิศเลยพิเศษที่โ s o ยิ่งกว่าเจ้าของในสามแดนโลกธาตุนี้ก็มีเจ้าของคนเดียวผู้กาลังโกรธนั้นเท่านั้น เป็นผู้เลิศผู้เลว ผ, ผู้วิเศษวิโสยิ่งกว่าผู้อื่นใดนั่นนิเวศมันยกตัวมันถึงขนาดนั้นมันอยู่ในหัวใจใดในบุคคลผู้ใดเวลาใดสแสดงออกจะต้องเป็นความสำคัญอย่างนั้นจึงกล้าโกรธได้ยอย่างลงคอและฆ่ากันได้อย่างเลือดเย็นไม่มีชะตกสะทานบาปกรรมทั้งๆ ท, ที่การทำเช่นนั้นเป็นมหันตะทุกเป็นบาปมหันีเดียว มันยังทำได้อย่างหน้าตาเฉยมันก่อมไม้ดิบนาราค่าตันหาก็เหมือนกันเวลามันดิบมันดิ้นขึ้นมานี่ไม่อยู่ไม่ได้ไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นดิบเป็นดิ้นไปตามมันทางนั้นเห็น ว, ว่าเป็นของดิบของดีทำให้เพื่อให้ผืนลืมเนื้อลืมตัวลืมวันลืมพืนลืมปีลื ม, ลม เดือนลืมจะเป็นจะตายลืมเท่าลืมแก่ลืมเพศลืมวัยลืมไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้กล่อมให้ลืมไปหมดนี่แหละขยายตัวออกมาจากคําว่าวิชากลายมาเป็นแม่ทับใหญ่แม่ทับใจของอวิชชาเป็นอย่างดีจะออกมาในแง่ใดก็ต า, กากตามทั้นโลกเจ้าหมอบลาบไปตามทางนั้นไม่มีขณะอิตใดความรู้ใด ที่จะสามารถเห็นโทษเห็นภัยของมันแม้แต่น้อยได้เลยต้องเป็นไปตามนั้นพอใจไปตามนั้นทั้งนั้นไม่มีคําว่าจะขัดจะขืนในความรู้สึกเห็นไปตามนั้นนนั้นด้วยกันถ้ามีแต่ธรรมชาตินี้ด้วนล้วนไม่มีอะไรเข้าแทรกเข้าแซงแล้วมันหมุนตัวเข้ามันไปได้อย่างนี้ตลอดกลับตลอดกันนับไม่ถ้วน มันพาให้สัตว์เป็นอย่างนี้ออกมาจากคำว่าอาวิชชาอันเดียวนี้เท่านั้นเมื่อได้บำเพ็ญตนเข้าไปโดยมีหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดครูอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเกิดความเชื่อความนสนใจเข้ามาขึ้นมาภายในจิตใจประกอบความภาคเพียรทั้งๆปิจิบนี้ถูกหุ้มห่อปิดบัง ให้แสดงความฟุ้งเฟอ้อเห่หืมความคึกความคันองความฟุ้งซ่านนำคาญอยู่มากมายเพียงไรก็ตามเมื่อทำสอดแทรกเข้าไปก็เป็นเหมือนกับน้ําดับไฟใจนี้จะเริ่มสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาความสงบตัวนี้กิเลสไม่เคยพาทําให้มีเลยแต่ทำแทรกเข้าไปทําพาให้เกิดให้มีขึ้นมาได้กลายเป็นจิตที่สงบเยือกเย็นขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความสงบเยือกเย็นนี้กิเลสไม่สามารถที่จะ ผิดขึ้นมาได้แต่ทำสามารถผิดขึ้นมาได้หเห็นประจักษ์ใจนี่แหละเป็นเริ่มเป็นคู่แข่งกันโดยลาดับเริ่มที่จะจับเหตุจับผลจับผิดจับถูกกันได้กับธรรมชาติที่เรืองอํานาจอยู่ภ า, ายในจิตใจใจมีความสงบเย็นพอใจเริ่มมีความสงบเย็นก็เห็นมีความเห็นว่าเป็นความแตกต่างจากที่เคยเป็นมาเพราะกิเลสผิดขึ้นเปนไหน ย่อมจะเกิดความเชื่อความเรื่มใสเกิดความอัศจรรย์แปลกหยิบแปลกใจขึ้นด้วยจากการบำเพ็ญของตนมีธรรมเป็นหลักที่ตั้งแห่งการประกอบความเพียรนี้ไม่เชื่อธรรมจะเชื่ออะไรย่อมจะเชื่อธรรมนี่หละเริ่มเริ่มที่จะแวกว่าเริ่มที่จะกวาดต้อนกันเริ่มที่จะต่อสู้กันให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นลําดับธํามดาไปด้วยการประพฤติปฏิบัติ ข้อจิตเริ่มสงบขึ้นมาให้เห็นเพียงทั้งหนึ่งทั้งเดียวเท่านั้นจะเป็นเชื่ออันสําคัญที่จะให้ฝังคีบฝังอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเป็นอั จ, จระสตาไม่ถอนแม้กิเลส จ, จะคืบขนองถึงขนาดไหนก็าตามจะพานโดดไปกี่ทวีกว็าตามแต่ความเชื่อความสงบเยือกเย็นความแปลกประหลาดอัจฉ ร, รย์ของตนในขณะที่จิตสงบนั้นจะไม่มีวันถอนนั่นแลดึงกลับมาได้อํานาจแห่ง ทำประเภทนี้แหละดึงจิตที่ห่อเหินเดินฟ้าไปกี่ทวีปกี่โลกกี่สงสารกี่จักรวาลเอากับย้อนขอมา น, นี้จนได้ด้วยความภาคเพียรหลายครั้งหลายหนความสงบนี้ก็เพิ่มตัวขึ้นมาเรื่อยๆความสงบเพิ่มตัวขึ้นเท่าไหร่ความละเอียดละออความแปลกประหละาดอัศจรรย์ก็ยิ่งเพิ่มกําลังขึ้นมายิ่งเป็นกําลังที่จะให้ต่อสู้กับฝ่ายที่ตนเห็นม่า เป็นนายเหนือหัวนั้นไปได้เดิมดับจนเห็นว่านั่นเป็นพีดเป็นไยได้เป็นลําดับเช่นเดียวกันแล้วต่อสู้กันไปเรื่อยๆ เ, เอาขั้นเพียงขั้นสงบนี้พอเป็นรากเป็นฐานพอเป็นแนวทางพอเป็นต้นทุนพอยับยัง้งตั้งตัวได้ไม่ถึงกับร่มครืนคืน พอตั้งตัวได้อาภพินิพจพิพจารณาเครื่องมือแห่งธรรมมีหลายประเภทสมถะธรรมได้เป็นผลอย่างนี้วิปัสสนาธรรมได้แก่ปัญญาพินิจพิจารณานับแต่ธาตุขันธ์ของเราตะกณรากายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนที่มีหนังหุ้มห่อไว้โดยรอบนี้คลี่คลายออกมาให้เห็นตามสภาพของมัน คนตายสัตว์ตายเป็นเรื่องสัจธรรมทางนั้นปัญญาสอดแทรกไปไหนจะกระเทือนเข้ามาเตือนตอนเองเสมอเขาตายกับเราตายก็เท่าเทกันเขาตายกับเราตายก็เป็นสัจธรรมคือความพลาดพลากจากสาัตว์แจธรรงขนันเป็นจริงที่ไม่พึงปรารถนาเช่นเดียวกันสัตว์ตายกับคนตายไม่มีอะไรผิดแปลกกันปัญญาจะยังทราบว่าเป็นไยเหมือนกันหมดย้อนเข้ามาหาตัวของเราเองตัวเราตายก็เป็นไย ก่อนที่จะตายได้รับความทุกข์ความลาบากไม่ใช่น้อยถึงขนาดที่ทนไม่ไหวถึงต้องได้ตายคนเราสัตว์ทั้งหลายก็ดีนี่เรานี่เป็นสัจธรรมพิจารณาขี่คลายให้เห็นอย่าเข้าใจว่าใครวิเศษสพสูในโลกนี้ไม่มีใครเหนือมานาปีทุกขังนี้ไปได้ก่อนที่จะตายทุกขังทุกขังฟังสิบีบบังคับจนกระทั่งทนไม่ไหวตายไปได้ด้วยกันลกจิงุกอยางที่เกือนกลนเต็มอยู่ในโลก ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนเหล่านั้นมันเพียงแต่ความเสียสันตัญยอของทิเด็กที่หลอกสัตว์โลกให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของวิเศษวิโสอะไรแร่ธาตุต่างๆดินเป็นดินน้ําเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟวัตถุสิ่มของเงินทองอะไรมันเป็นแร่ธาตุแต่ละอย่างละอย่างตามธรรมชาติของเขาอยู่โดยรับธรรมชาติของตนเท่านั้นเป็นแต่เพียงว่าจิตใจที่ถูกเสียสันตัญยอนีอ่ ไปยึดไปถือไปจาคัญมั่นหมายนั่นตา่าค่ะว่าตนเป็นคนมั่งคนมีสิจุเป็นคนดิบคนดีเป็นคนมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์เสกลมเสกแรงกันไปเพราะอํานาจอันนี้พาให้เสพพาให้หลงพาให้ติดปัญญาก็สอดแทรกเข้าไปตามเข้าไปตามเข้าไปสวมลอยกันเข้าไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็พังลงพังลงอืมสุดท้ายก็มาถึงตัวของเราเอง ร่างกายนี้ก็จะพังลงไปสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับร่างกายนี้มีอะไรบ้างในตัวของเรานี่หรือสมบัติ ข, ของเงินทองของเราเพื่อนฝูงของเราที่อยู่ที่อาศัยมันพังลงไปด้วยกันเราไม่พังสิ่งเหล่านี้พังมันพร้อมที่จะพังอยู่ทั้งสิ่งเหล่านั้นกับตัวของเราเองไม่มีสิ่งใดที่กีรังถาวร น, นี่คือปัญญาสอดแทรกเข้าไปเพื่อจะเห็นตัวจริงเห็นกันสาลอันเป็นทิไวใจอันเป็นธรรมชาติที่ไม่พัดพลาดไม่จากกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พัดภาคเป็นสิ่งที่จากกันโดยหลักธรรมชาติตองมันแต่เป็นแต่เพียงว่าธรรมชาติที่มันเคยกล่อมนั่นมันกล่อมเอาไว้มันยึดเอาไว้มันตีตะปูให้แน่นติดเอาไว้กับหัวใจเรามันไม่ยอมให้รู้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของพลาดพาคสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกาวฝากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเคลือบแฝงไม่ใช่เป็นของจริงไม่ใช่เป็นของ แน่นอนอันใดเลยมันไม่ให้รู้ให้เห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องแทรกเข้าไปตามหลักความจริงว่ามันพักภาคแน่แน่มันแยกมันแยกกันไปแน่แน่มันเป็นคนละสัะส่วนแน่แน่แล้วรวมลงแล้วกับอนิจจังทุกขังหน้าตาครอบอยูงหมดในหลักในธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดที่จะนอกเหนือจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังนตานี้เลยจากนั้นก็พิจารณาเข้ามาถึงร่างกายของตัวเอง นอกจากร่างกายของสัตว์ของบุคคลอื่นแล้วพิจนาเข้ามาธรรมชาติอันนี้คืออะไรคือตัวตั้งขึ้นนี่กับตัวจะดับไปจะแตกสลายไปยมันอยู่ในก้อนอันนี้เองไม่อยู่ในก้อนไหนก้อนกายอันนี้เมื่อหมดกําลังวังชามันแล้วมันจะต้องเป็นเช่นนั้นแม้แต่ไม่หมดกําลังมันยังแปลสภาพให้เห็นเดียวยารักษาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมีนตั้งแต่บรรเทาธาตุขันนี้ทั้งนั้นเดินนานมันก็เหนื่อยนั่งนานก็เหนื่อยยืนนานก็เหนื่อย นอนนานก็เหนื่อยก็คาว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเพื่อทุกเพื่อทุกเพื่อทุกไปทั้งนั้นเพื่อความบีบคั้นบีบคั้น ม, มันมีเป็นของที่เสศษวิสูรอะไรกองทุกทั้งทั้งกองนี้ท่านพิงว่าขันขันแปลว่ากองมันกองทุกทั้งนั้นมันไม่ใช่กองสุขขันอันนี้เอาความสุขอะไรมาให้เรามีแต่กดขี่บังคับเราเยียวยารักษาพอบรรเทาพอประทังให้อยู่ได้เท่านั้นเรายังไม่ทราบอยู่หรื อ, รอว่าสิ่งหนุนนี้ มันเป็นภัยต่อเราปัญญาแทรกลงไปที่กนาลงไปถ้าเห็นตามความจริงของมันต่พูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังที่มันเต็มอยู่ในร่างกายนี้ตรงไหนที่หน้ากำหนดยินดีมันมีตรงไหนถ้ามนใช้อวิชาจับหัวใสใส่กองมูดกองขูดเท่านั้นจะเป็นอะไรไป น, นี่ปัญญาแทรกลงไปนี่เป็นขั้นหนึ่งขั้น อีกขั้นหนึ่งก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันแปรสภาพของมันอยู่ตลอดเวลารอบหมดนับแต่จกิดออกมาเต็มไปหมดเพราะสมมุติทั้งนั้นเรื่องจิเลรทั้งนั้นเป็นผู้ปรับเสียบเอาไว้มันจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดยังไงกําหนดเข้าไปให้ชาตเกิด้วยปัญญาและด้วยความเห็นภัยจริงๆ ดังทำท่านประกาศสอนไว้ว่าไม่มีสองธรรมพุทธเจ้าไม่มีสองแสดงไม่เป็นความจริงล้วนๆน100้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางนั้นสวนทาง ก, กันกับสิ่งจอมปลอมนั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์กาหนดพิจนนารณาปัญญาอย่างทราบลงไปโดยลําดับลำดับดทราบที่ตรงไหนย่อมจะถอดถอนออกมาทราบตรงไหนถอดถอนตัวความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดออกมาโดยลําดับลำดับ จนสติปัญญามีความแต่กล้าสามารถถ้าพิจารณาร่างกายจะเป็น อ, อสุภะอสุพังหรือก็ประจักษ์ใจเพราะมันมีอยู่แล้วอสุภะเต็มอยู่ในร่างกายแล้วเป็นแต่เพียงว่าใจไม่เห็นใจไม่รู้ปัญญาไม่อย่างทราบ พ, พอปัญญาอย่างทราบตําหลักความจริงมันจะไปไหนถ้าไม่รู้ไม่เห็นเมื่อรู้เห็นอย่างชัดเจนแล้วจะยึดมัน่นถือมั่นไว้ได้อย่างไรอุปทานจะหนานแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินนี้ก็เถอะอยังไงก็ ทนปัญญานี่ทําลายขาดสะพั้นลงไปไม่ได้เลยถอนตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวเป็นขั้นๆั้นขึ้นไปรูปกายเป็นของสําคัญพิจารณาให้ดีพิจารณาข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้ขอให้เป็นเรื่องของมารกษัตริย์พิจารณาเพื่อสติปัญญาเพื่อถอดเพื่อถอ น, อถอนความยึดมั่นถึงมั่นความสําคัญมั่นหมายว่า น, น่ารักน่ากํหากกหนัดยินดีชอบใจขอให้พิจารณา ให้เป็นการถอดการถอนเถิดเพื่อจะถูกต้องทั้งภายนอกภายในท่านว่าอจฉัตวาปะหิตภาระบะหิตาวากายเยกายาตวสีหาติข้างนอกก็าตามข้างในก็าตามพิจารณาให้เป็นธรรมแล้วเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเทียบเทียงกันไม่มีอะไรผิดแปกกันรูปกายภายนอกกับรูปกายภายในความแตกสลายภายนอกกับความแตกสลายภายในกายของเราความอสุาพะภายนอก ปฏิปคูนโสโครภายนอกกับปฏิปคูนโสโครภายในร่างกายของเรา ม, รมีสัตว์มีส่วนเท่ากันเต็มร้อยเปอร์เซนเหมือนกันหมดไม่เป็นที่น่าสงสัยขอให้ย่างปัญญาลงไปแล้วจะถอนตัวเข้ามาเมื่อพิจารณาลงถึงท่านหายสงสัยในเรื่องร่างกายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอสุภาอสุผังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอานิจจังทุกขังาตามันเต็มหัวใจแล้วมันต้องถอน ห, หัวใจเช่นเดียวกันในขั้นนี้นี่เป็นขั้นที่เราเห็นโทษมาแล้วเห็นเห็นโทษของร่างกายส่วนนี้แล้วเป็นขั้ น, ข, นขั้นเข้าไปถอดถอนความปักเสียบขวากน้ําเอาไว้ภายในใจอย่างที่เลททั้งหลายออกมาได้โดยลําดับลาดับความสุขจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นความทุกข์จะเบาลงไปเบาลงไปภายในใจยิ่งในพิจารณาด้วยปัญญาอันละเอียดเข้าไปโดยลำํำดับ ไม่ว่าอาการใดที่แสดงออกมาจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ออกมาออกมาจากไหนตามมันลงไปอ น, นิจังทุกขังหน้าตาครอบหมดไม่ว่าจะเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทน า, ท, น า, ววนาทางกายทางใจมันเป็นอนิจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะควรยึดไว้ถือไว้แบกหามอนไว้ให้หนักตนเองได้รับความทุกข์ความระบาดเปล่าๆเานี่นยสัญญาก็เหมือนกันสังขารวิญญาณ แต่ละอย่างละอย่างมันเป็นเพียงอาการของจิตที่แสดงออกมาเพียงยับยัะยับยเหมือนห้อยเท่านั้นไม่ไม่ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้แล้วดับไปดับไปตามเข้าไปปัญญามีปัญญาไม่มีสิ้นสุดถ้ากิเลสไม่สุดเสียมอะไรปัญญาฝ่ายแจ้ฝ่ายถ่ายฝ่ายสอนนี้จะเพิ่มตัวขึ้นเรื่อยๆไว้นำไปใช้ บื้องต้นต้งแต่ถูไถยกันไปถูไถยก็ถูถ่ายตั้งแต่กิเลสถูไถ่เรามันถูไถมาม า, มากต่อมากจนจะไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวแล้วแหละถ้ า, ากว่ามันเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังไม่มีอะไรติดตัวแล้วข้ามเรนเราเ น, นี้เราจะถูไถด้วยสติปัญญาของเราเพื่อแก้กิเลสทะเลอกปอกเปิ่กกิเลสถูถ่ถเนื้อหนังของกิเลสบ้างมันไม่ได้เลยเอาลงไปให้กิเลสมันพังทลายภายในจิตใจ เริ่มพังไปตั้งแต่กายรู ป, ปรขันพังลงไปเบทนาขันสัญญาขันพังลงไปด้วยความรู้เท่าและปล่อยวางสังขารขันวิญญาณขันพังลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกิตนั่นนี่ละอวิชาฟังเิติรเห็นเข้าไปอย่างนี้เองปัญญาปล่อยเข้าไปถอดถอนเข้าไปดังนี้ทังที่กล่าวนี้ เมื่อถึงขั้นอวิชาก็จะมีอะไรนี่ที่แบบเห็นได้ชัดในภาพปฏิบัติจิตขาดจากสิ่งใดเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดขาดว่าขาดตอนมันเป็นเกาะเป็นดอนเช่นเดียวกับเกาะในน้ําหรือเกาะในมหาสมุทรนั่นแหละยังเหลือเกาะเดียวคือเกาะอวิชาปัญญาเราเคยทําลายอย่างไรเราเคยพิจารณาอย่างไรมา เรายังได้ผลมาเป็นลำดับลำนาทําไมจะพิจารณากองอวิชชากองเชื่อแห่งพบเชื่อแห่งชาตที่ทําตัดทั้งนําตัดทั้งลายให้เกิดจากเกดตายไม่หยิดไม่สิ้นไม่มีต้นไม่มีปลายนี่ทํำไมเราจะทําลายไม่ได้อวิชชามันคืออะไรืมวาดฟันลงไปตรงนั้นเลยมันเป็นเราที่ไหนมันเป็นของเราที่ไหนมันเป็นภยัยมันเป็นอวิชชามันเป็นตัวฆ่าศึกมันอยู่ที่ใจ ฟันลงไปที่ใจใจจะขาดสะบั้นไปตามกับวิชาถ้ามันเจียนยังเสียดายอวิชาอยู่อวิชาขาดสะบั้นลงไปก็ให้ใจมันบันเลยไปด้วยกันไม่ต้องมาเสียดายกับใจดวงนี้เลยมันอ้าวถ้าหากว่ามันไม่รักอวิชาไม่พอใจกับวิชามันก็จะทรงอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนกลายเป็นจิตที่บริกบูดขึ้นมาด้วยซ้ําไปถมันยังจะห่วงอวิชาอยู่ก็ให้มันพังไปด้วยกันไม่ต้องเสียดายถึงขั้นปรรดาที่ไม่เสียดายอะไรแล้วนอกจากความจิิงร่วนๆแล้วเท่านั้นจะเป็นเช่นนั้น พังลงไปโดยลําดับกํลำดาจนกระทั่งถึงอวิชชาพังทลายลงไปด้วยอํานาจของปัญญาแล้วจิตชิบหายไหมนะแล้วเมื่อมาชิบหายกลายเป็นจิตที่บุญสืบขึ้นมาแล้วทีนี้ทราบชัดไหมว่าอันใดเป็นพพเป็นชาติปาให้เกิดอะไรเป็นเชื่อแห่งภพแั่งชาติมันจะมีอะไรก็มีแต่อวิชชาที่เท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นจิ๋งเป็นก้านเป็นกะแหนงมันโดยลําดับลําดาความโลภความโกรธอะไรมันก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเพราะเป็นจิ๋งเป็นก้านเป็นแม่ทับ ที่อวิชชาสั่งการลงไปเท่านั้นแล้วรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามาสุดท้ายก็เรื อ, อวิชาเมื่อถูกพังธลาลงไปจนหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วอะไรที่นี่เป็นภพเป็นชาติที่จะให้สืบต่อในภพน้อยภพใหญ่เหมือนดังที่เคยเป็นมามีอะไรมันก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไรเลยนะ่อ๋อมีอวิชชานี่เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดจากเจิตายและมีหนาซ้ายัง ปฏิเสธว่าตายแล้วศูนอีกตัวนี้มันปิดไปอีกมันสายให้ไปเกิดก็คืออวิชาคือกิเลสตัวเองพาสัตว์ให้เกิดให้ตายอยู่ราบนี้จะเป็นอะไรไปดินฟ้าอากาศแม่ภาตทั้งหลายเขาไม่ได้มาบางังคับจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้ก่อภพก่อชาติเกิดจเจ็เจ็บตายเหมือนกิเลสอวิชานี่เลยแล้วทําไมมันถึงได้ปิดกั้นเสีย ว, ว่าตายแล้วศูนทั้งๆ ท, ที่มันพาให้สัตว์เกิดอยู่ตลอดเวลาก็คืออวิชาตัวเดียวนี่เท่านั้นมันยังปิดไปอีก ว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ทั้งสิ้มันหยาบดุนขนาดไหนถ้าพูดถึงเอื้อนความจิ้นป้อนหลอกลวงมันถึงขนาดไหนเมื่อปัญญาได้เข้าถึงตัวแล้วมันเห็นโทษกันถึงขนาดนั้นทีเดียวเหมือนฟ้าดินถล่มทีเดียวเมื่อวิชาทางลงไปแล้วเหนือเจตคติที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วมีอะไรเข้ามาเกี่ยวมากวนธาตุเป็นธาตุขันเป็นขันรูปเป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาสัญญาสังขันมียาแต่ละอย่างนั่นอย่างเป็นความจริงของตนของต น, อ, งตนอยู่เพียงเท่านั้น ไม่มีอะไรมาบีบบังคับจิตใจเหมือนกิเลสอวิชชานี่เลยในสามแดนโลกาฐานนี้จึงไม่มีสิ่งใดที่เข้ามาบีบคั้นบังคับจิตใจนอกจากกิเลสอวิชชานี้เท่านั้นหรือนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ปากใจเรได้อย่างชัดเจนเห็นผลประจกักษ์ภายในจิตใจนี่แหละที่แบบเอฮิปฏิโกให้เข้ามาดูที่นี่สิออสัน ท, ทิิโกจะเห็นเองรู้เองเมื่อรู้อันนี้แล้วจะสงสัยที่ตรงไหน ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าองค์ศาสนาก็ตามแต่เห็นอันนี้แล้วคือองค์ศาสนาแท้เห็นอันนี้แล้วคือธรรมแท้เห็นอันนี้แล้วคือสังฆาผู้ทรงไว้เพียงธรรมอันนี้แท้เพียงเท่านี้ไม่มีการสถานที่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธธรรมสังฆะโดยหลักธรรมชาติที่ตนรู้ตนเห็นตนทรงไว้อยู่เวลามีเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นเองนะในหลักที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแตถานโกศเห็นตรงนี้ที่ผู้นักปฏิบัติ จะเห็นตรงไหนไม่เห็นตรงนี้ธรรมปฐมพุทธเจ้าประกาศไว้สดสดร้อนรอนเพื่ออันนี้แท้ๆไม่ได้เพื่ออะไรเลยเห็นดุูต่อหน้าต่อตานี้อย่าไปคิดอย่าไปคาดเรื่องอดีตอนาคตสถานที่นั่นที่นี่ว่าสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นสมัยนี้เป็นนี้สมัยนั้นมีมรรคผลนิพพานสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่ความหลอกลวงของกิเลสปีนป้อนที่สุดก็คือตัวกิเลสนั่นเองสวนทางกับความจริงแห่งธรรมขอให้ทุกๆ ท, ท่านได้รู้สึกตัว อย่านอนจมอยู่ในปลาคือกิเลสให้มันร้องเคียงกล่อมตลอดเวลาเพิ่มหลับแล้วเริ่มตื่นเริ่มหลับเริ่มตื่นอยู่อย่างนั้นลับที่ไหน ต, ตื่นที่ไหนมันก็ลงนไปพบไปชานแล้วลงนรกเ อ, อเวจีแล้วยังไม่รู้สึกตัวอยู่หรือแล้วตื่นจากกิเลสมันเป็นยังไงมันจะไปตกนรกอเวกีที่ไหนเมื่อตื่นจากกิเลสยังชาคระทันว่านนั้ท่านผู้ตื่นจากกิเลสแล้วท่านไม่ไปที่ไหนไม่มีอะไรมาบังคับจิตใจของท่านได้เลยเป็นอิชนะเต็มตัว นั่นผิดกันอย่างนี้จริงจริงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าประอุบัติขึ้นมาได้ยังไรอยากว่าหย่งนั้นให้มันถึงใจไนะไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยผุดขึ้นมาได้พวกเรานี่ได้รับอุบายคำสั่งสอนตามตำหรักําราก็มีครูบาอาจารย์ังชี้บอกอย่างชัดเจนอยู่ทำไมมรทีจรงให้เกลียดมันบีบหูบีบตาให้ําดำําขาวแล้วคว้าไป ตามกิเลสจะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นเรื่องของอัฎของธรรมบ้างเลยไม่ละอายตัวบ้างเหนือเอาที่ถ้าอยากจะบุดพ้นจากที่คุมคุมคุมขังเอาให้เห็นกระจักตามหลักธรรมที่ท่านสอนมา น, นี้จะไม่เป็นอื่นาศาสนาธรรมสอนเพื่อดลุดพ้นโดยถ่าเดียวเท่านั้นการปฏิบัติทให้ปฏิบัติตามอัตธรรมธรรมที่ท่ า, ทาทนแนะนำาั่งสอนเกิดเป็นทางที่ราบรื่นงดงามนี้จะช้าหรือเร็ ว, วไม่สําคัญเรา อยู่ในวัตจกักวัตจิตภพชาติ ต, าต่างๆนี้มันนานแสนนานและขนาดไหนจนนับไม่ได้แล้วเวลานี้มาถึงปัจจุบันนี้แล้วยังจะยืดยาวไปอีกขนาดไหนถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องสกัดตัดกั้นภพลัดกั้นพบชาติเอาไว้แล้วจะไปอีกเช่นเดียวกับเป็นมานี้แหลเพราะฉนั้นเอาตัดบทให้มันขาดสะบันลงไปโดยลําดับเรื่องภพภพชาติให้ขาดเข้ามาขาดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยอำนาจแห่งความเปลี่ยนมีสติปัญญาเป็นเป็นสําคัญ ตัดเข้ามาตัดเข้ามาได้ในวงปัจจุบันตัดขาดสะบั้นเห็นอยู่ภายจิตใจขตนแล้วไม่ต้องไปถามใครสันพิธีโกรประกาศกลางวานันภายในจิตใจนั้นเต็มภูมิแล้วอยู่ไหนอยู่เธอแสนสมยัยนี่หีังท่านว่านี้พ่านเที่ยงอะไรเที่ยงกว่าปราศจากอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาที่อย่างเดียวมันก็เที่ยงซะนั้นอืมกิเลสประเภทใดๆมันก็เป็นอนนี้อยู่ใกฎสมมุติคื อ, อนจจังทุกขังหน้าตาดีใดก็ตาม อยู่ในอนนี้จังทุกขังหน้าตาทั้งนั้นท่านจึงให้ละมาบุญญาปาปลาไปให้นะบุคคลเป็นผู้ละซึ่งบุญได้บาปเสียได้แล้วหมดกฎอนิจจังเมื่อหมดกฎอนิจจังแล้วคํำว่านินพนธ์เที่ยงไม่ต้องบอกก็เป็นเองขอให้มันเป็นนี่ๆอย่าไปคิดนุน่นคิดนี้เรื่องนิพพานที่ไหนไม่นิพพานที่ไหนให้เล็งข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าดําเนินตามนี้เราจะได้รู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมชาติที่กล่าวมานี้ อย่าคาดการอย่าคาดสมัยคาดเวลาเวลาอย่าคาดอำนาจลักนาเจ้าของว่ามีมากมีน้อยทำอย่างไรถึงจะเป็นไปเพื่ออาจเพื่อทำเป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงามให้พยายามตั้งสติปัญญาศรัทธาความเพียรลงจุดนั้นจุดนั้ น, จ, น, นจุดนั้นแลเป็นจุดเกีใย้ถึงจุดหมายปลายทางเันความคาดน้่นคาดนี่เป็นความหล่อของยิเลสอกสรรหาซอต่างต่างๆต่างหา เลยหลงหลุมหลงแรงไปฟ้าแต่ลมแต่แรงไม่ได้ของจริงมากองเลยจะมีแต่ความทุกข์ทรมานภายในจิตใจอยู่ตลอดไปพากันยึดหลักนี้เอาไว้การพยายามทำกรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอารมณ์พอเป็นไงพระใหม่เข้าใจเบาที่ เ, อเคอ่ะท่านกดธหรือเข้าใจเบาอืมมขุดลงไป ให้กิเลสมันต้มตุนไปนานนั้งนา น, นาเลยแต่ทำเขาเอาทำเข้าไปทหลุงกิเลสมั้งเลย ใ, แใ้แต่ที่ใจะแต่กิเลสถลุงเราไงเราเป็นลูกศิษย์ท้าคตเนี่ยทามันพูดม่เคลื่กนเป็นห่วงมู่เพื่อนมนแค่เพราะความสงสารอันเดียวนี่ยมันแค่เพราะอะไรนะว่าเขาจะตายแบบ ก, ก, กระเทียมตาปลาอ้เ่น้อกาศเยน ก่อนมาเทนี้ก็ารู้สึกว่าดีมาเทศกต่เทนไปมันก็ลืมแล้วไอ้เรื่องเสถียยังไงต้องไงมันไม่ได้สนใจอ่ะมันก็ออกของมันต่ตามเรื่องตามเพนขอมันหนักเบาเพลดล้อนก็ไปของมันเต็มที่มันจะใช้ากําลังช้กําลังลมม้ามันก็จะท้อนกลับจะท้อนกลับย่ำเล่าย่ำเล่าย่ำไปย่ำมามันก็แสดงอผลขึ้นมาคือท่าก็หยุด ผมบว่าจะยูได้เห็นทำอัศจรรย์เนี่ยทำไมมันอัศจรรยตกีเดชทั้งนานะสามแดโนโลกธาตนี้มันตะกีเดชอัศจรรย์ทำไม่เป็นคู่แข่งเป็นอัศจรย์เป็นคู่แข่งที่เดชบ้างมีหรือนักปฏิบัติเราอ๋อเป็นคู่แข่งกันดิ<อ>ใคจะถึงแดยนยมุทแล้วยังมาเสียดายที่เดชอยู่จะมีไหม พระพุทธเจ้าเป็นล้านล้านกี่ล้านกี่ล้านพระองค์เขาแต่จะรู้อทอดกันมาเรื่อยๆมา็นกระทั่งวันนี้ตั้งแต่กลับท์ไหนกันอะไรอะไ้มีกี่ล้านล้านไม่รู้เนะี่ยไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วสาวกองค์ใดขึ้นจากที่เด็ดแล้วยังมากลับมาเสียดายกิเลสได้อีกนอกจากเห็นโทษอย่างโลภะทวนอย่างที่ว่าเท่านั้นละเอียดก่อนมั่ง เกิดความรู้ความสามารถของเราธรรมดาธรรมดาจะรู้มันเลือดเดี่ยวของมันได้นะนี่รู้คนเดียวบางคืนก็พอวนาประจระษษามปฏิปัสสานะมาแล้วงับขันนะแล้าาเพลินก็เพิลินไนด้ า, ารบิดกับทำปฏิบัติต่อกัน เวลาขันมันรงับตัวมันสังขารขันสัญญาขันจําขันญมียานขันถึงจะรับทราบอะไรก็ตามถ้าสังขารขันสัญญาขันไม่ไปช่วงแล้วกลิ่นเหล่านั้นมันก็เหมือนไมมีวิญญาณขันรับทราบเสียงอย่างนี้คือพอทราบนี้ครับสัญญาขันสังขารขันมันจะปุงให้มันกับกลิ่นเหล่านี้กันทีกันทีนี้พอสัญญาสังขารขันมันดับลงไปแล้ว มืน่มีอะไรนั้นจิตร่างกายที่นั่งโด่อยู่นั้นเวิ้งว้างไปหมดบางทั้งที่ร่างกายมันก็มีถ้าเราจะแยกจิตึ้นมาก็มันก็มีแต่ธรรมชาติตอนั้นมันมีอํานาจมากกว่ามันเป็นเอาเป็นอากาศธาตุมันเป็นอวกาศเป็นหมดเลยเวิ้งว้างไปหมดไม่มีอะไรงั้นแตผนดินมัง ไม่เห็นว่าเป็นสัญญินมันเวิ้งวางไปตามๆกันหมดเพราะจิตเวิ้งว้างนั่นเองไม่ใช่อะไรนี่พลังจิตนี่สําคัญมากไม่ว่าท่านไม่ให้ก่านว่าอัศจรจะให้กันว่าอะไรก็ไม่ได้เหมือนอะไรมาเทียบในสามใจโลกกับทานนี้เหมือนอะไรมันไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกับอะไรนถ้าจะว่าเหนือก็เหนือซะหมดเลย ถ้าเคยถ้าเราสมมติเราเคยอยู่ใต้อำ น, นาจของยุเรศที่เวลามันผ่านไปแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเหนือไปหมดเลยนัคำาเหนือนี่เราก็พูดเทียบอันนี้ต่างหากนะผิดไม่ได้มีความสําคัญมันหมายว่าต้นเหนือนั้นต้นเหนือนี่นะอึดับธรรมชาติของจิตแค่ไม่ได้หมายอะไรตรงนั้นนะ่ะความหมาย ม, ามันก็เป็นสมมติออกมาออกมาดีตันรับธรรมชาตินั้นมันดีมันเหมาะนี่คือปกติของธรรมชาตินัน้น ต่างชาติพูดปฏิบัติไม่คน right. ของไม่แน่นอนนะอยู่ได้กันครูบาอาจารย์เห็นไม่ล่วงโรยไปล่วงโรยไปล้วนตั้งแต่ครูบาอาจารย์ออกน้ำผันน้ำผันน้ำน้ำอย่นงลูกขานี่ใครจะประเทศให้แม่นจาในสัจธรรมทั Won! ้งสี่เพื่อพระนิพพานเหมือนท่านอือเหมือนครูบาอาจารย์เหล่านี้นี่เป็นร่มโพล่มใสเป็นที่แน่ใจของลูกศิษย์ลูกหาตั้งหลายได้เป็นอย่างดีในสมัยปัจจุบันแล้วนต้องล่วงโรยไปเห็นไหมเอาที่แน่ใจที่ไหนได้อื ท่าน ล, ล่งโรยทําไมใครจะล่งโรยไม่ได้ผมล่งโรยได้เหมือนกันเวลามันอยู่แล้วกันก็ให้สาเป็มเม็ดเป็นหน่วยชิ้นใดที่เป็นกิเลสยาให้เขาเข้ามาพล้องอยาให้มันติดมาพันจนได้เลยสลดัดกลัวๆเลยเราจะเห็นว่าเราดีกว่าผู้หนึ่งผู้ใดอืความเห็นว่าดีกว่าผู้หนึ่งผู้ใดคือถืกกล่อมแล้วน่ะเราจะให้ดีกว่ากิเลสนี่ เราจะคาดตัวมันแสดงออกมาดูกระหมูกับเพื่อนก็มีจํานวนมากน้อยมันจะยิ้มคิดเยาะไปเรื่องใดของผู้ใดว่าไม่ดีไม่งามไปอะไ ร, อ, ะไรอันนี้มันจะขึ้นของมันขจิตัญญาให้ทันมันไม่มีชนะอะไ ร, รยิ่งกว่าชนะความคิดความปรุงความสามคัญมันหมายอันเป็นตัวกิเลสของตัวนี้เลยเอาตรงนี้นะอย่าให้มันผ่านไปได้ยิ่ ม, มันคิด เดี๋ยวก็เรื่องโทษองค์กรของผู้หนึ่งผู้ใดโดยแล้วเอาเอาให้มันทันทีเลยให้มันอยู่หมัดนึ่งเมื่อต่างคนต่างเป็นอย่างนั้นแล้วมันอยู่ด้วยกันพลาสุกหมดมีกี่ร้อยกีพันองค์เห็นไหมพระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยกันกี่ร้อยกีพันองค์ท่านมีการทะเลาะวิวาทันไหมเพราะความรู้เป็นอันเดียวกันเอาอะไรมาทะเลาะกันเนะี่ยกิเลสไม่มีเรื่องทะเลาะเป็นเรื่องของกิเลสเนะี่ยนั่นไม่มี ก, การงานที่เกี่ยวข้องกัญญาให้เด่หนักหมู่เพื่อในหนักใจให้ต่างคนต่าง ตังหน้าต่างตาปฏิบัติต่อ ต, ตัวเองนี่แหละมันหนักทั่วถึงกับเกี่ยวข้องข ม, มูเพื่อนไปเองถ้าประมาทในตัวเองแล้วกระตุือนะขวางไปหมดนั่นแหละเรามาฝึกเราให้ดีอะไรจะดีให้ถือนั่นเป็นสาคัญแต่ความขี้เกียกี้ข้านเป็นเรื่องของยิเงใหญ่ดโดยตรงร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของยิเงใหญ่ยาวมาขวางทำอันนี้ผมสอนขมูื่อนผมกับมดภูมิผมนะเมไม่มีภูมิรายยิ่งกว่านีนะ้สอนมดภูมิเลยเพราะความเมตตาสงสารนั่น ถ้าติดถูกประกันใดให้อาไปรายนาให้มันเห็นตัวเองมันจะเป็นยังไงมันจะได้มาค้านกันนี่ไงมันเห็นเรารู้อย่างนี้อาจารย์นี่เคยเทศสอนเอาวันนี้ทําไมไม่เห็นโกงกันวามันไม่เห็นมึงสิร้อทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งสนล้านทั้งล้านเอกนามมาจิงเป็นอันเดียวเท่านั้นไม่มีคําว่าค้านกันเลยของสิ่งเดียวกันจะค้านกันได้ยังไงของสองสิ่งสามสิ่งมันเพิ่งได้ค้านกันของสิ่งเดียวกันลงแบบเดียวกันหมดเลยเป็นของสิ่งเดียว จากกี่ร้อยกี่พันกิจกี่พันดวงก็ตามบริสุทิ์อย่างเดียวเสียเดียวเป็นของสิ่งเดียวกันเลยนั่นหาที่ค้านกันไดอย่างไรเมื่อเป็นของสิ่งเดียวกันแม้งั้นจะว่าผู้ใดเห็นตามผู้ใดเห็นเราถากคนหรือเห็นอย่างนี้นี่นี่นั่นจะอะไรมาค้านกันะเหนื่อยแล้วเอ้เจอขนั้นั่ะเหนื่อยแล้วไม่ได้เลิกกั